มาฟังเคสสัตติกันเลยบิดาของผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุได้หกขวบเซึรงมันดาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ยี่สิบมิถุนายนสี่หกพ่อของผมเป็นชาวจีนว่าตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่พ่อเป็นคนที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดมากเหล้าที่ดื่มนั้นท่านดื่มแบบเพียวๆ ไม่ต้องผสมโซดาเลยครับส่วนบุรีก็สูบจัดมากซึ่งสมัยนั้นบุรีจะบรรจุอยู่ในกระป๋องกระป๋องหนึ่งก็มีห้าสิบโมลท่านก็สูบวัลลามากกว่าหนึ่งกระปออะ๋องประกอกับท่านมีอาชีพเป็นเซอร์เวเยอร์ที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวท่านจะเป็นคนชี้ขาดว่า ข้าวที่นำมาส่งนี้เนะี่ยได้คุณภาพหรือว่าไม่ได้ดังนั้นน่ะท่านจึงมักจะได้รับของกำนันเป็นบุรีรจากคนขายข้าวอยู่เสมอจึงทำให้ท่านมีบุรีสูบได้อย่างสบายบจากผลของการดื่มเหล้าและสูบบุรีจัดพอจึงล้มป่วยด้วยโรควันโรคปอดอยู่สามถสี่ปีแต่ก็ไม่ยอมไปรักษาตัว อาการป่วยก็ลุกลามจนถึงขั้นเป็นมะเร็ง oh. ร่างกายก็สู้ผอมมากอาเจียนออกมาเป็นเลือดเยอะมากใช้กระโถนรองได้ครั้งละเป็นกระโถน oh. เป็นอยู่อย่างนั้นเกือบปี oh. พ่อก็สิ้นชีวิตส่วนแม่ของผมนั้นนะ่ะได้ลาสังขารเมื่ออายุเจปีแม่ผมเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านการทำอาหาร ทีงเห็นคนอื่นทำก็เอามาดัดแปลงให้เป็นสูตรของตัวเองได้ เ, เมื่อต้องเป็นไม้ตั้งแต่อายุสาสิบปปีก็อดทนทรมาหากินโดยการขายอาหารเช่นก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าข้าวมันไก่โจกเป็นต้นเลี้ยงดูลูกๆทั้งหกคนด้วยความยากลำบากจนเรียนจบกันหมดทุกคน และความที่ทำเป็นคนจีนจึงต้องมีการเชือดไก่ไหว้เจ้าเมื่อถึงช่วงวันตรุษวันสาดของชาวจีนตลอดมาเมื่อผมเข้าวัดก็บอกให้แม่เลิกฆ่าไก่แต่แม่เ็ ย, ยังไม่เลิกบอกว่าซื้อเข้ามาน่มันกินไม่อร่อยเพื่อจะมาเลิกทำเมื่อตอนอายุย่าง้าสู่วัยชราแล้วแม่ผมจะมีโรคประจำตัวคือเมื่ออากาศชื้น จะมีอาการไอามากบางครั้งไอจนตาแดงก่านอนไม่หลับตอนทางชีวิตร่างกายแม่ก็สู้ผอมมากหลังโกงเล็กน้อยตามมวเป็นต้อกระจกจนต้องเปลี่ยนเลนตาทั้งสองข้างในช่วงสามเดือนสุดท้ายของชีวิตท่านมีอาการป่วยหนักเนื่องจากมีไข้ไอมีเสมหะมากหมอบอกว่าปอดท่านเสื่อมมาก แฟบเหลือเล็กนิดเดียวเก็บออกซิเจนได้ น, น้อยดังนั้นทุกครั้งที่ป่วยหนักและต้องเข้าโรงพยาบาลท่านจะเข้าห้องไอซีทุกครั้งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งต้องใส่ท่อสอดลงไปในลําคอให้อาหารทางสายยางซึ่งต่างสอดสายยางลงไปทางช่องจมูกและเนื่องจากมีเสมหะ ม, มากทําให้หายใจไม่สะดวก หมอต้องทำการซักชั่นด้วยการใส่สายยางลงไปในคอแล้วดูดอาเสมหะออกมาซึ่งแม่บอกว่าเจ็บมากแม่ผมท่านเป็นคนอบอ้อมอารีรักญาติพี่น้องและลูกหลานใครเดือดร้อนมาหาท่านท่านก็นให้ความช่วยเหลือตลอดแม่ชอบทำบุญใส่บาทพระวันละหนึ่งรูปทุกวันจนเมื่อยุมมากขึ้นทำไม่ไหว ก็อธิฐานแล้วก็ให้ลูกชายคนเล็กไปใส่แทนมาเริ่มทำบุญกับหลวงพ่อเมื่อผมเข้าวัดถ้าธรรมกายตั้งแต่วันวิสาขาบูชาปีพศออ2526มากบ้างน้อยบ้างตามกําลังทรัพย์เรียกว่าได้ทาบุญเกือบทุกบุญที่หลวงพ่อบอกนะครับผมอยากทราบว่าคุณพ่อผมตายไป40กว่าปีแล้วเนะี่ยตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหน และคุณแม่แหละอยู่ที่ไหนตอนท่านเพิ่งเสียชีวิตให ม, ใหม่ผมไม่พูดเรื่องบุญที่ท่านเคยทำให้ท่านฟังท่านจะได้ยินไหมครับคือหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็พูดตามไปเรื่อยๆ ค, คืออาจจะเข้าใจว่าท่านอยู่แถวๆนั้นและในระหว่างสวดพระอภิธรรมท่านมาฟังสวดหรือเปล่าครับท่านออรู้สึกอย่างไรบ้าง มีครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ในห้องไอสียูแม่ลอยฟังว่าแม่ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกๆแม่จึงนึกในใจว่าเขาไปเจ้าอยากตายจะได้ไม่เป็นภาระต่อรูปก็ได้ยินเสียงดังมากดังจนตกใจเลยลืมตาโพรงอ้าปากค้างแล้วไม่กล้านึกแบบนั้นอีกเลยเออถามว่าเสียงที่แม่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรครับ เนื่องจากแม่ผมเป็นชาวจีนยึดบ้านในขนมตมเนียมประเพณีของชาวจีนค่อนข้า ง, งเคร่งมากโดยเฉพาะอาจริงๆในเรื่องการทําพิธีกงเต็กซึ่งคำสั่งไว้ว่าเมื่อท่านตายแล้วต้องทําพิธีกงเต็กให้ท่านด้วยซึ่งผมก็ได้พยายามอธิบายกับญาติพี่น้องว่าทําไปมันก็ไม่ได้อะไรคนที่ตายแล้วก็ต้องการแต่บุญอย่างเดียวซึ่งบางคนก็ให้เหตุผลว่าก็แม่สั่งไว้นะ่ยต้องทําตามคําสั่ง ผมก็ให้เหตุผลตอบว่าแม่ก็สั่งไว้ย่างนั้นนะเพราะแม่ไม่รู้อ่ะเมื่อตายแล้วแม่จะเขาคงรู้แล้วว่าเขาต้องการบุญอย่างเดียวกา ร, รที่เราทำให้ทำบุญให้นะ่ะดีกว่าที่ทำตามที่แม่สั่งแมนะ่น่าจะรู้สึกขอบคุณลูกมากกว่าที่จะมาผูกกระโดดที่ขัด ค, คำสั่งอย่างที่เขากังวลกันแต่ผมเพียงเสียงเดียวก็ไม่อาจจะทานความต้องการของญาติพี่น้องได้จึง จะมีพิธีกงเต็กในวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย46คุณครูไม่ใหญ่ครับเห็นคุณแม่ผมถ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อลูกๆจัดพิธีกงเต็กให้ท่นเอออาน่ารักดีเหมือนกันอย่าลืมนี่เรื่องฝันให้ฝันกันนะ คือหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเรื่องเล่าแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังพ่อก่อนตายเห็นกตินิมิต ด, ดำมืดใจท่านเศร้าหมองมากจึงดำดิ่งลงไปในมหานรกขุมห้าทันทีด้วยกรรมเล่าและบุรีที่เป็นอจินกรรม ได้ถูกนายนิรยาบาลจับกรอกน้ำกรดสีดำสลับกับอบับบริยักษ์สูบพ่นควันกรดและอีกหลายลีลาทำให้กายที่ผอมดำใหญ่ปานภูเขาของท่านนะแหลกแหลวแปลวไปแล้วทุกทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรกนี้อีกยาวนาน<อ>บุญที่ลูกทิ์ไปให้เนี่ยก็ ย, ยังไม่ได้รับแต่ไปรอคอยอยู่ที่นายมโลก ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีบุญแล้วแต่อย่างไรก็ตามให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านคุ้มบุญให้นะ่อย่าขาดบุญนี้ก็จะได้คอ่ค อ, ยคอยบรรเทาเบาบ า, บางวิบากกรรมของท่านในมหานรกและธรรมใโลูกเข้าถึงพระธรรมกาย ก็จะไปช่วยท่านได้เหมือนอย่างที่คุณยายอาจารย์ของเราแหละจ้าส่วนแม่ตายอายุ79ปีก่อนตายก็พยายามนึกถึงบุญแม้จะเจ็บป่วยทรมานขนาดไหนก็ทำตามที่ลูกลูกได้บอกท่านทำให้ท่านนึกถึงบุญได้แต่กระสับกับการระลึกถึงการฆ่าสัตว์เพราะบางช่วงท่านทรมาน ทากันลึกเอ๊ะทำไมเราป่วยทรามานนั้นนะเราคงไปฆ่าสัตว์ตรงโน้นตรงนี้มัง้งก็ระลึกสลับกันทำให้ภาพเรานั่นมาฉายให้เห็นเป็นระยะคือเดี๋ยวกับภาพบุญเดี๋ยวกับภาพบาปใจของท่านก็ไม่ถึงกับมองแต่ก็ไม่ใส่มากจึงไปเกิดเป็น มะเทวาเวนาอากาศเทวาเวนาเ ว, เวมาณิกาเพลพยักษ์ดีกว่าครบหมดพบสามแน่แหม <c oughs> จึงไปเกิดเป็นสัตติมาพาน <c oughs> อย่าฟุ้งลืมฟังเนอ ะ, ะน <c oughs> เป็นกรุษ ในสวรรค์ฉันจะตุทันทีไปแบบหลับแล้วตื่นอยู่กลางวิมานทองในหมู่ครุฑชั้นดีคือเกิดแบบโอปปปาติกะมีขนสีทองมีเครื่องประดับแบบเทพธิดาไม่ได้เปลือยกายคือข้างล่างก็เป็นนกเห็นครุฑ น, นั่นไหมนั่นแหละแล้วก็มีเครื่องประดับแบบเทพธิดา ขณะนี้กำลังนั่งอยู่ท่ามกลางบริวารเมื่อท่านตายแล้วลูกไปเดินพูดเรื่องบุญสมชันนะ์ท่าไมได้ยินก็ทำมาได้อยู่ตรงนั้นนะ่ะเวลาสวดพระอภิธรรมกบฏ ไ, ได้ลงมาพระไปอยู่ตรงน้นแล้วเสียงดังที่แม่ได้ยินตอนนึกเบื่อสังขารกลัวจะเป็นภาระของลูกนั้น ค, คือเสียงกรรมนิมิตที่ตัวได้ฆ่าไก่เอาไว้ กอรไก่ถูกข่ามันจะร้องเสียงดัง<อ>แต่ตอนนั้นน่ะตอนที่ไก่จะละโลกเสียงมันจะดังกว่าปกติมาก<อ>ดังมากจนกระทั่งกลัว<อ>กลัวทีเดียวแหละ<อ>ตายแล้วเอไป เ, อเสียงไก่มางีน้<อ>นี่นี่แหะจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นครูตันทีตอนนี้ท่านกำลังเรียนรู้ชีวิตใหม่ที่ตนเองไปเกิด<อ>ไม่ได้สนใจว่าลูกจะทากงแตกไปให้ แม้ในขณะนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องกงเตกแล้วท่านก็นไม่ได้เห็นกงเท็กส่วนกงเตกที่ทำไปก็ไม่ได้อะไรที่เป็นบุญได้แค่ความสบายใจที่ทำตามแม่สั่งและทำตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเพราะว่าประเพณีนี่ เ, นเป็นประเพณีของนักคิด ค, คิดว่าถ้าตายไปแล้วเราอยากจะมีอะไรเราก็ทาเอากระดาษ อยากได้รถก็ทํากระดาษเป็นรถอยากมีบ้างทํากระดาษเป็นบ้านอยากมีคนรับใช้กระดาษเป็นคนรับใช้อยากมีอะไรแล้วก็ทําทําไปเผาแล้วก็ได้อ้นั้นก็ดีสิเรื่องอะไรจะมาทำอันเล็กเล็กทําบันทีก็เาสภาธตมกายเลยครับเผามันเต็มที่เลยมันเป็นเรื่องของนักคิดที่ตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาแล้วก็นักขายคือจะได้ขายอุปกรณ์ในการทํากับนักพิธีกรรม จะได้ทำพิธีมก็จะได้เป็นทางมาทางหนึ่งครับที่จะทําให้ชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้ น, นก็จะผูกพันกันไปอย่างนี้มันจะไปเป็นบุญยังไงถ้าจะเป็นบุญต้องมาทำให้มันถูกหลักวิชาเอามาถาวายกับเนื้อนาบุญนะรหรือทําบุญกับคนยากคนจนอะไรต่างๆสงเคราะห์โลกกลับมาทําบุญกับเนื้อนาบุญกันนักบวชพระภิก ษ, ษุสงฆ์อะไรอย่างนี้นะจ๊ะ สิ่งที่แม่ต้องการในขณะนี้คือบุญเท่านั้นที่ทำอย่างถูกหลักวิชาและก็ถูกเนื้อนาบุญด้วยจ้านี่ก็เป็นเคสสาดทีสสำหรับคืนนี้